สวัสดีครับวันนี้สมภัสสยองมีเรื่องราวจากคุณมินที่ได้แบ่งปันประสบการณ์เข้ามาให้กับทางแอดมินจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นํามาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้รับฟังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเจปีก่อนสมัยที่เธอยังเป็นเด็กและเกิดที่ค่ายทาหารแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างใรนั้นเรามารับฟังกันเลยดีกว่า สัมผัสสยองค่ายลูกเสื อ, อยุวกาชาดเราชื่อมินปัจจุบันอายุยี่สิปีแล้วเรื่องที่เราจะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราอายุได้ประมาณ13บปีกำลังเรียนอยู่ชั้นมหนึ่ง และกำลังจะเข้าสู่เทอมที่สองตอนนั้นเราจะต้องไปเข้าค่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราดีใจมากเพราะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าค่ายแบบนี้ค่ายนี้เป็นค่ายลูกเสือยุวกาชาดครูฝึกจะเป็นทหารทั้งหมดการเข้าค่ายในครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับชั้นมหนึ่งถึงมสรวมโรงเรียนอื่นด้วยอีกประมาณสามโรงเรียน เรามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนชื่อมุกกับแปงพวกเราสนิทกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดพอมาเข้าค่ายในครั้งนี้พวกเราก็เลือกที่จะนอนด้วยกันพอไปถึงบริเวณห้องพักก็เห็นว่ามันมีทั้งหมดอยู่10บห้องระยะห่างแต่ละห้องก็จะห่างกันประมาณ10เมตรอยู่ได้ห้องละ30คนจากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อเข้าไปอยู่ในแต่ละห้องเรากับเพื่อนสนิทได้อยู่ห้องที่แปดเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องก็มองเห็นประตูห้องน้ำอยู่ตรงหน้าเลยมันตรงกับประตูทางเข้าพอดีฮอมองไป ร, บรอบๆก็เห็นว่ามันเป็นห้องลงๆมีเสื่อยาวๆปูอยู่สองฝากฝังเพื่ อ, อไว้ให้ปูที่นอนห้องนี้ มีขนาดกว้างกว่าอาพาร์ตเมนต์นิดหน่อยและมีพัดลมอยู่ตรงเพาดานห้องหนึ่งตัวหลังจากที่เก็บของเสร็จและหาที่นอนได้แล้วพวกเราก็เดินเล่นสำรวจบริเวณโดยรอบก็เห็นว่าด้านหลังห้องที่เราพักอยู่นั้นมันเป็นป่าช้าและห้องที่เราพักอยู่ก็อยู่ใกล้กับป่าช้ามากที่สุดในเช้าของวันแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น พวกเราทากิจกรรมทุกอย่างไปตามปกติพอถึงเวลากลางคืนครูฝึกก็บอกให้ทุกคนรีบไปเข้านอนแต่เราก็ไม่ได้เอจใจอะไรเดินกลับไปห้องพักห้องของเราหักกันอยู่28คนพวกเราเปลี่ยนกันเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้าซึ่งภายในห้องน้ำจะแยกเป็นห้องเล็กๆสี่ห้องมีส้วมอยู่ภายในอยู่ทางด้านซ้ายมือสองห้อง ทางด้านขวามืออีกสองห้องมีถังน้ำวางอยู่ในทุกๆห้องเพื่อให้นักเรียนได้อาบน้ำกันและมีทังขยะใบหนึ่งวางอยู่ข้างนอกประตูของห้องน้าทางด้านซ้ายสำหรับทิ้งสิ่งต่างๆพอทุกคนอาบน้ำกันเสร็จแล้วก็นอนลงบนที่นอนที่ปูวาไว้ทั้งสองฝั่งซึ่งพวกเรานอนอยู่ชิดติดกันแทบจะขยับไปไหนไม่ได้เลย และสองฝั่งจะหันเท้าเข้าหากันเว้นเพียงระยะ ต, ตรงกลางเอาไว้สำหรับเป็นทางเดินแล้วก็มีคนเดินไปปิดไฟทำให้ในห้องมืดไปหมดพอดูนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วแต่เรากับเพื่อนก็ยังไม่หลับนอนเล่นโทรศัพท์และคุยเรื่องสนุกสนุกที่เข้าฐานกันในตอนเช้าโดยใช้แสงไฟจากมือถือ ช่วยส่องสว่างส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็คุยเล่นกันตามประษาเด็กต่างโรงเรียนที่ได้เจอเพื่อนใหม่ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาพวกเราจึงพร้อมใจกันเงียบแล้วแกล้งนอนประตู ค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆแสงสว่างจากภายนอกค่อยๆเล็ดลอดเข้ามาภายในห้องเราแอรปรีตา ม, มองดูก็เห็นเป็นครูฝึกคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในห้องเพื่อมาตรวจดูว่าพวกเราหลับกันหรือยัง เมื่อครูฝึกเห็นว่าพวกเรานอนกันหมดแล้วจึงปิดประตูแล้วเดิอนออกไปพอครูฝึกออกไปได้สักพักพวกเราก็ลุกขึ้นมาเล่นและคุยกันต่อบางก็จับกลุ่มเล่นโทรศัพท์เล่นจำจีตามภาษาเด็กยุคเก้าสิบเวลาผ่านไปจนเกือบจะเที่ยงคืนเราก็เริ่มที่จะง่วงนอนเพื่อนหลายคนก็หลับไปแล้ว จึงแยกย้ายกันเข้านอนขณะที่เรากำลังเคลิ้มจะหลับจูจูก็ได้ยินเสียงปิดประตูห้องน้ำดังขึ้นเฮ้ย ใ, ใครเข้าห้องน้ำวะปิดเบาๆหน่อยเด้คนจะหลับจะนอนเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาทุกคนต่างตกใจกับเสียงประตูปิดจนตื่นกันแทบจะทุกคน เมื่อมองไปยังห้องน้ำก็ไม่เห็นมีใครเดินออกมาแถมไฟก็ยังปิดอยู่ด้วยก็เลยนอนกันต่อไม่นานนักก็มีลมเย็นเยอือกพัดเข้ามาภายในห้องพร้อมกับไฟห้องน้ำที่เปิดเองโดยที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ห้องน้ำหรือเดินเข้าไปเปิดเลยเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่ก็โวยวายขึ้นใครเปิดประลมเนี่ยหนาวนะเว้ย ทันใดนั้นเสียงประตูห้องน้ำก็เปิดออกทั้งทั้งที่ไม่มีคนเปิดแล้วไฟห้องน้ำก็ปิดเองแล้วเปิดอีกเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในนั้นจากนั้นก็มีเสียงดัง ก, กุกกุกกักกักเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกระทบกับพื้นเหตุการณ์ที่เกิดขึนมันทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องถึงกับนอนไม่หลับได้แต่นั่งมองหน้ากัน เ้าคิดว่านี่เวลาตีหนึ่งล้วใครมาเล่นอะไรพ่เรนแบบนี้สักพักก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, อะไรกันนักหนาเนี่ยคนจะหลับจะนอนอย่ามากลัวได้ป่ะแล้วเธอคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินตรงไปหวังที่จะปิดไฟขณะที่กำลังยื่นมือไปจะปิดสวิตช์ที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำ แต่ยังไม่ทันได้ปิดไฟห้องน้ำก็ดับลงทุกคนในห้องที่มองอยู่ต่างรองเฮ้ยอุทานออกมาด้วยความตกใจหลายคนนั่งหน้าตาตื่นส่วนเราก็มองหน้ากันกับเพื่อนแต่ไม่พูดอะไรเฮ้ยพกแกว่าห้องนี้มีผีเบาวะบ้าพูดจาอะไรไม่เป็นมงคลแบบนี้เพื่อนต่างโรงเรียนถกเถียงกันใหญ่ คนที่ใจกลา้าพูดขึ้นอย่างไม่กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าเถียงกันเลยนอนต่อดีกว่านะไม่มีอะไรหรอกเธอเราพูดขึ้นหวังยาสึกที่กำลังปะทุก่อนที่ครูฝึกจะเดินมาทำโทษพวกเราแต่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปที่หน้าห้องน้าเปิดไฟและมองเข้าไปสักพัก เธอคนนั้นก็กรีดร้องขึ้นมาทุกคนต่างตกใจกับเสียงร้องนั้นแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งลุกตามเข้าไปดูเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ย hey, แกเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนคนที่ส่งเสียงกรีดร้องนั้นก็ตอบกลับมาว่าแกแกยังจำถังขยดตรงนั้นได้ใช่ปะตอนแรกมันอยู่ชิดติดประตูเลยนะเว้ย เพื่อนคนที่ยืนอยู่ด้วยตรงนั้นก็หันไปมองตามมือของเพื่อนคนที่ชี้เมื่อเธอหันไปมองก็สังเกตเห็นว่าถังขยะที่เคยตั้งอยู่ข้างประตูห้องน้ำทางด้านซ้ายมันกลับย้ายไปอยู่สุดห้องน้ำห้องสุดท้ายทางด้านขวาเธอเงียบไปสักพักแล้วก็เอ่ยบอกเพื่อนให้กลับไปนอนต่อดีกว่าและบอกว่า อาจจะเป็นลมพัดหังไปก็ได้ย่าคิดมากเพราะสิ้นเสียงพูดคุยทั้งสองก็เดินกลับไปยังที่นอนของตัวเองด้วยท่าทางที่สัน่นในเวลาเดียวกันนั้นเองเพื่อนของเราก็เอ่ยปากว่าปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแต่กลัวจึงอยากให้เราไปส่งที่ห้องน้ำหน่อยเราก็ตอบตกลงว่าจะไปส่งแล้วเรากับเพื่อน ก็เดินไปเข้าห้องน้ํากันเรายืนรอเพื่อนอยู่หน้าห้องน้ํขาขังถังขยดเจ้ากรรมพลางก็มองห้องน้ําห้องอื่นไปด้วยจนสังเกตเห็นว่าท่อน้ําที่ตรงกับประตูห้องน้ําหลักมีเทียนสีดําปักอยู่และมีกระถางธูปตั้งอยู่ด้วยเราแปลกใจว่าทําไมตั้งแต่เข้ามาปูที่นอนยังห้องพักนี้เราถึงมองไม่เห็นมัน ในขณะที่เรากำลังคิดและสงสัยอยู่นั้นเพื่อนของเราที่มาเข้าห้องน้ำก็เปิดประตูอย่างแรงจนเกิดเสียงดังแล้วเธอก็วิ่งออกมาหน้าตาตื่นเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่สั่นว่าแกฉันไม่อยากอยู่ห้องนี้แล้วไปขอห้องอื่นนอนได้ไหมะแต่เราก็ตอบกลับไปว่าคงไม่ได้หรอก ตอนนี้ห้องอื่นคงนอนหลับกันหมดแล้วเพราะสิ้นเสียงเราก็เดินออกจากห้องน้ําส่วนเพื่อนก็เดินตามหลังเรามาติดๆแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวขาออกจากประตูห้องน้ําไฟห้องน้ําก็ดับเองโดยไม่รู้สาเหตุเพื่อนในห้องที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็นั่งกอดกันแน่นแล้วหันมามองทางที่เรากับเพื่อนอยู่ด้วยสีหน้าที่หวาดกลัว แต่เราก็พยายามใจแข็งแล้วพูดกลับไปว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ไฟมันไม่ดีเท่านั้นเองพอสิ้นเสียงของเราประตูห้องน้ำก็ปิด <S <S> <S ทุกคนในห้องกรีดร้องด้วยความกลัวรวมถึงเรากับเพื่อนด้วยเราพยายามจะเปิดประตูออกไปดันสุดแรงเกิดแต่ก็เปิดไม่ได้ดันเท่าไหร่ประตูก็ไม่ยอมเปิด ทังทั้งที่ไม่ได้ล็อกไว้มันเหมือนกับว่ามีอะไรดันประตูอยู่ข้างนอกในตอนนั้นเองไฟในห้องน้ำก็เปิดปิดอย่างบ้าครั่งเป็นจังหวะเหมือนกับที่เราพยายามเปิดประตูเพื่อนๆ อ, อีกประมาณห้าคนที่อยู่หน้าประตูห้องน้ำตรงห้องนอนก็พยายามที่จะช่วยเปิดแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้สักพัก พอเราตั้งสติได้ก็สวดมนต์ในขณะที่มือก็ยังพยายามดันประตูอยู่ไม่นานประตูก็เปิดออกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเรากับเพื่อนกลัวกันมากจึงวิ่งออกจากห้องนี้ไปทางห้องประชมุมโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองพอวิ่งมาถึงก็เจอครูฝึกคนหนึ่งตอนนั้นเรากับเ พ, เพื่อนที่ตามมาด้วยส่วนหนึ่ง ก็รู้สึกโล่งใจมากเมื่อครูฝึกเห็นหน้าตาตื่นตกใจของพวกเราก็ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเราจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูฟังเมื่อครูฝึกได้รับรู้เรื่องราวก็บอกให้พวกเรานอนที่ห้องข้างครูฝึกไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีวันต่อมาครูฝึกคนเดิม เมื่อเจอหน้าพวกเราก็พูดขึ้นว่าเมื่อคืนพวกเธอคงเจอมาแล้วสินะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองตอนนั้นมีเด็กเักเรียนคนหนึ่งมาเข้าค่ายนอนห้องที่พวกเธออยู่นั่นแหละแล้วไปทํายำท่าไหนไม่รู้ตีกันในห้องจนมีเด็กคนหนึ่งอาการโคมา่าหามส่งโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้ว หลังจากนั้นทางค่ายจึงนิมนต์พระมาสวดทุกอย่างก็เป็นปกติดีเวลาผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์ก็มีนักเรียนมาเข้าค่ายอีกแล้วนอนที่ห้องนั้นจูๆ่ๆก็วิ่งออกมาแบบพวกเธอนี่แหละพวกนั้นบอกว่าเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไล่ออกมาเด็กคนนั้นหน้าตาน่ากลัวสภาพร่างกายเหมือนกับศพครูก็เลยนิมนต์พระมาอีกรอบ พระท่านก็บอกว่าต้องหาของข้าวหวานมาให้เพราะวิญญาณตนนั้นยังไม่ไปไหนที่สำคัญต้องเอาเทียนและทูบมาจุดไว้พร้อมบอกกล่าวว่าจะมีคนมานอนที่นี่ห้ามรบกวนเพราะไม่มีใครคิดจะทำร้ายหรอกวิญญาณตนนั้นมันก็เลยเงียบไปพักหนึ่งแต่ช่วงหลังมานี้ครูไม่ได้จุดเทียนบอกกล่าว เพราะคิดว่าพวกเธอคงไม่เจอแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นอีกหลังจากที่ครูฝึกเล่าจบคืนที่สองเราก็ขอย้ายไปอยู่ห้องอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้เราไม่อยากจะไปเข้าค่ายที่ไหนอีกเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ หัดสืบ